จะแนวปฏิบัติที่เราสวดมาจะแนวปฏิบัติงนนั้เอาสตินำหน้าตั้งสติเป็นใหญ่เอาสตินำหน้าศูนย์รวม ง, งานตะล่อมมาเอาสติตะล่อมมา ที่ใจทำงาน <c oughs> <c oughs> น่าลมพิจานณา ก, กาย ออกยาวรว่ายาวขอบสั้นรว่าสั้นออกสั้นรว่าสั้นกลั้นลงที่นาหนึ่งนึงนึงที่ช กินชา อย่ามตั้งสติยิ่งสติประกอบด้วยสัมผัสัญญัด้วยแล้วละเ e อียดที T ่เข้าไปอีก e. มีสติอยู่ร่อยู่เป็นนึกคิดไม่ดีอยู่อ า, ยอาศัยสัมผัสฉัญญักํากับเข้าไปอีกรู้ตัวว่าเราหลงคิดไม่ดีเนี่ยมีสติรู้อยู่แต่มันตัดไม่ได้ ประคอด้วยสัมผัสจันทรประคอกขาเป็นประอี่ใหญ่จิตสัมผัสจันทรจึงเป็นธรรมที่เป็นบุคคลาภความทำทั้งหลายทั้งปวงที่มีในกายในใจของเราทำทั้งหมดนี้อยู่มีอยู่ที่กายที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนหนังสือนี่ก็เอาไปใส่ใเฉยเอาไปพิมพ์ใส่ไปหนังสือ กิริยาข้องสิ่งหล่านี้ที่กายของเราที่ใจของเราเกิดสติผิดฌาเกิดไม่ได้ชื่ออะไรว่าผิดฌาโทนันเกิด ในระหวางที่เราเจริมันเกิดไม่ได้ตั้งสติขึ้นปุ๊กนก็ตกแล้วตั้งสติขึ้นปุ๊ก็กตกแล้วัรวปแล้วท่านเชืไห้ตั้งบ่อยทีจานับบ่อยๆเป็นเครื่องอยู่ารติมีอาร ต, ารติเป็นเครื่องอยู่จะนื่อยๆกายในกายเรื่อยๆ เรียบร้อยแล้วในจิตเห็นธรรมในธรรมในบทุทศเราไปดู บ, บ, ทททบทุทศบทุธทัทั้าสวดในบทหัวข้อบทหัวข้อสรุปสรุ ป, รปกายในกายวิสนาในวิสนาจิตในจิตธรรมในธรรมพิจารณาเห็นดนี้พิจารณาเห็นอยน่นึง เป็นการทำลายอภิชาและโทนะอภิชาคือความโลภโลภนะ ว่าต้องการไม่ได้อย่างใจนี่คือควโลกมุ่งหมายอะไรที่มันไม่ได้อยากใจทํางานสิทํางานสิเอาอย่างนี้สิเอาอย่างี้สิมันไม่ได้อยากใจนี่นี่ก็อภิชาคือโทมนัทมันขัดใจตามมาเพราะอภิชาไม่ได้อย่างใจแล้วก็โทมนัทขัดใจตามมา เพราะฉะนั้นเวลากิริยาล่านี้โผล่เขาจรงว่ามันไม่มีสติมันขาดสติขาดสติยับยอ้งบางทีบางครั้งมันก็รุนแรงมาเป็นชั่วพูบช่วพูบอารมณ์ช่วพูบพรุ้งไปแล้วพอตกก็ตกพอตีก็ตีพอดากก่ดาก็ด่าพอพูดจาหยาบคายก็พูดไปแล้วแม่เสียไปแล้วมันเลึกได้ที่หลังอีก เราดูสิมรุนแรงสิ่งเหล่านั้นความายมายาของตัณหาที่แทรกเข้ามาทำไมจะรู้ทันถ้าเราไม่มาศึกษาจออยู่ตรงนี้รู้ไม่ทันไม่ทันรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันปล่อยมันพุ่งออกมา่เลยปลยพุ่งออกมา่เรืยออกมาเราแป๊วใจลราแป๊บใจอยู่ของ เสียหายแล้วคุณเสียหายแล้วคุณเสียทามอย่างไคุณวิชาคือโลกโลกอย่างไ้วัตถุอย่างไ้สิ่งของอย่างไรมันอย่างไรจะเอาให้สมใจจะเอาให้สมบัติแต่บางครั้งมันก็คอยได้อย่างใจจัดการยังไงคอยได้อย่างใจพูดยังไงคอยได้อย่างใจเนี่ยเป็นส่วน เรื่องของอภิชาตะนั้นรู้ไว้ออกอพอมันไม่ได้อยากใจมันก็โถมัดขัดใจเป็นการการที่เราเจริญแบบนี้มันเป็นการนําออกซึ่งอภิชา <c oughs> และโถมัดออกจากใจอภิชาโทมัดเกิดขึ้นที่ใจของเราได้เป็นการพิสูจน์ทดสอบได้ว่า สติปัฏฐานเอาสติเป็นเพื่อนเป็นบาทเป็นฐานเนี่ยนำความโลภนำความโกรธออกจากใจได้จริงหยุดชะลอเว้นงดหยุดชะลอเว้นงดได้จริงถ้าไม่มีการหยุดได้ไม่มีการ ชะลอได้งาะได้เว้นได้มันก็ไม่รู้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเว้นตั้หาใหม่ที่จะไม่มันมีผลเพิ่มเว้นไม่ได้ด้วยเหตุที่เราหยุดได้เราชะลอได้ตั้หาใหม่จริงโผล่ขึ้นมาในจิตของเราไม่ได้ผลเพิ่มเพรามันมันไม่มีผลที่จะเพิ่มขึ้นมาได้เรื่องของเกา่าในขณะนั้นเราก็แผ่เผอกว่ไปแพ่เผา ในเราท th ี so ่เราเผ็ดเผาเนี่ยทั้งของเก่าทั้งของใหม่มันก็เร่าร้อนเพามันอยู่ในใจดรงนียมันจะโผล่มามันก็โถลวมาไม่ได้ใจมันทำใ้เร่าร้อนความเร้าร้อนของตะบะแผ็ดเผาความโลภความโกรธอะไรนี้แผลไป่ได้เผาก็่ได้เผาก็่ได้เผาก็่ได้ก็อ่อนแรงก็ไปเรื่อยเพามันอยู่ในใจดรงเดียวเอาสติ ทำเอาปัญญาทำยริโอตประขันติความปวดความทนแผลก็ไปเผ า, าเข้าไปถั้งที่ว่าตบะตบะตบะตบะทำตบะทำแพ้เผาเข้าไปรุ่ริยาท่านทงแผ่เผาจนเหือแห่งไปหมดจนจนพระองค์พระงได้ฉักได้ได้เ อ, อาขยะญนเป็นยามญญายาม รู้ว่าน้ำดอกอาสวะคือกิเลสตหาในพระไทยปิรกหลวงเหือแห้งไปเมือแห้งไปหมดจากการสันดานมีความรู้อย่างชัดเจนมาในพระไทยโอ้หายหมดแล้วก็มาจดจอสอดส่องลองไปดูเรี่ยงเก่าสะอาดหมดจดจิตดวงนี้บริสุทธิ์หมดจดเลี่ยงเก่าจริงๆ สิ่มันที่เคยปนเปื้อนมาหึงนงินไปแห้ไปหมดประจานหมดใจคืออำนาจของตปะธรรมาา่าความคิดก็เป็นตปปธรรมอัตติควาอความทนเป็นตปปธรรมสติปัญญาสมาธินี่เป็นตปปธรรมรวมกัทรทำงานตลอดหลอมรวมมด้วยกันเป็นตปปธรมปรมทั้งปวง สายข้าใจเราทำงานก็พยายามทำให้ความรู้ความเข้าใจงานอะไรจะไปหวังพึ่งอะไรแล้วแหะหมดที่พึ่งมันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยพึ่งอะไรโลกถ้าไม่ว่าเราไม่ว่าพึ่งพระเจ้าไม่ว่าคุณงระทําไม่มีอะไรพรึ่งจริงๆมันเป็นคว้าดูความน้ําเหลว อ, อะไรที่เราจะพึ่งอะไรพึ่งขนมแล้ะก็อิ่มท้องแป๊บเดียว ถึงข้าวจำเป็นเราก็พึ่งมนันเอาปลาอาหารขนมต้มไ่เตียวขนมกินแซ่บๆเมาข้าวจำเป็นเราก็พึ่งมนันเป็นการข้ราวแต่ที่มันจะพึ่งให้สมใจสนใจอยากจริงๆพึ่งอะไรถ้าเราไม่พึ่งธรรมเพราะถ้าเราไม่พึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่พึ่งไม่พึ่งคุณธรรมเหล่านี้ ไอตัวที่มันพาหิวอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่มีหลับตื่นดื่มตานี่อยู่ในหัวใจมันพาจิตครับดีดิ้นหิวไมื่รู้จบอิ่มไม่รู้จะพอจิตมันสิ่งวันนั่นคือกอบทุกข์มวิ่งวันเสียอกเสียใจกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้ผิดหวังกับสิ่งนู้นกับสิ่งนี้เพราะอะไรเปล่ามันวิ่งวันแสวงหามล้วก็ผิดหวังนั่นเอง ไม่ส ม, มหวังมนผิดควางมันทุกข์จากการไปกระทบกระทั่งกระทบกระทั่งในอารมณ์ของตัวเองด้วยกระทบกระทั่งกับอารมณ์ของคนอื่นเอง ด, ด้วยด้วยความหิวกระหายไม่รู้จะกินไม่รู้จะอความหิวเหล่านี้มันไม่ต่างอะไรกับเปรตปากเท่ารเข็มกินข้าวเปลี่ยนเทียนปากเท่ามันปากของมันเท่ารูเข็มความหิวของตัณหา ท้องมันเท่ากับภูเขาี่ดูเสื้อะแล้วเมรัยมันจะเต็มท้องอุปปามานี่เรามองให้เห็นชัดเจนนี่คือความโลภที่ไม่เคยรู้จักผ่อนคลายมันเทาชโลยุดให้มันบวมฟากให้มนหายไปให้มันหมดไปให้เหลือน้อยลงหนลงหน่อยน่่มีถ้ามันจะหายหิวมันหายมัได้เราปากที่จะดูดเข้าไปเท่ารูเข็มเนี่ยท้องเท่าภูเขานะ นี่คือความอยากของตัณหายากจนไม่มีประมาณยากความอยากอันนี้มากไม่มหาศาลยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรยิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทนาทีตันหาสมานาทเอาอะไรมาเสมอเท่ากับความอยากของตัณหาไม่มีดูปที่ใจเราจะเห็นมันมีประมาณไี่มีกฎไม่มีมมเกณฑ์เข้า เราไม่เอาธารรมะหลับนี้มาเป็นที่พึ่งที่เราดึงไม่มีอะไรช่วยได้เลยช่วยไม่ได้พ่อเป็นแม่เป็นที่เป็นใครก็ตามช่วยไม่ได้ใจของเราเท่านั้นช่วยใจเราได้มองเห็นความสําคัญยึดสิ่งนี่มาเป็นที่พึ่งที่เราดึกเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะเราจะเกาะอะไรเ้รวจะคว้าอะไรไปไปไป ไ, ปไปอ่าไปแล้วไปหาจับจองที่เกิดมาอยูแล้ว ตายไ ป, ไปไปไปไปแล้วไปหัดจับจองที่ที่เกิดใหม่อีกแล้วก่อนจะตายก็ทุกทุกทุกจนตายถึงได้ตายแสดแล้วทุกคนเดียวที่ไหนดูแค่เจ็บใค่ได้ป่วยก็ดูซี่หอบพี่อยู่กันเข้าโรงพยาบาลวิ่งนู้นวิ่งนี้โดดนู้นโดดนี้ทุกขนาดไหนจะเป็นจะตายจะอยู่จะรอดอ๋อ ยานั้นได้ยานั้นไม่ได้ไปขัดกับคนนั้นไปขัดกับคนนี้อีกขัดข้องเรื่องนั้นขัดข้องเรื่องนี้น่าจะ ย, ยุ่งยากสับปะรดอย่างนึงตามมานี่เด็ก็่อขุนไม่ใช่คนที่จบไม่ใช่ทุกเฉพาะคนที่เป็นคนที่คนที่เป็นอยู่คนที่ดูแลนี่แหละทุกเป็นสมมติอย่างเป็นพ่อเป็นแม่กับลูกหลานเลนนี่แหละ วิ่งหัวชนกันน่ะดูแลรักษาได้ไม่ได้รอดไม่รอถูกเอยู่นั้นแหละโอ้โหทุบทำอะไรอายุขัยนิดหน่อย10ปี70ปีแปดสิบปีไปแล้วทยอยลันไปแล้วไปมองหาอะไร หวังพึ่งอะไรไปอบอุ่นใจกับอะไรไปหมอหาอะไรไปเห่ อ, อะไรกับโรคควาน้ําเหลวว่างเปล่าขวาน้ําเหลวเหลวไหลคว้าน้ำเหลวไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดมาติดมัดม่มปลาโ อ, อยุ่งเหนื่อยทุกข์จะเป็นจะตายเปล่าเ ป, ปล่าสี่น้าอะไรเพราะอไร่พราโดนหลองโดนท้อง โดนหลอนตอนทุกเวลาไม่ทันรู้ไม่ทันม่เคยรู้จักที่มันเกิดไม่เคยรู้จักเวลามันเกิดไม่รู้จักหน้าตาเวลามันเกิดขึ้นมาแลวไม่เคยรู้จักมันมาปั่นหัวหัวใจมันมาปั่นทุกรวลทุกเวลาไม่เคยสนใจดูไม่เห็น ของตัวสําคัญมันมาตัวเราตัวเราดิบีดีต้องเราต้องเราต้องเราเราดีเราเก่งทิ้งทิ้งวน้นอยู่นั้นนะใครบอกก็ไม่ฟังเวลามันขึ้นเต็มที่เนี่ยศาสดาห์ได้แทบบอมันก็ไม่ฟังนะดูแต่พระธรรมกับธรรมกติกับพระพิณายทอน่นที่ศาสดาห์เอาษาไปสอนแท้แท้ด้วยเมตตาแท้แทโอ้พระองค์หยุด อยู่วนไข้น้อยเธอะปริญญาฆ่าพวกข่าพระองคจะห้ำหั่นกันนี่ยนะศาสดามันก็ไม่ฟังเด้เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อยากอยู่กับหัวใจของศาสดามันอยู่กับหัวใจของเขาอะอยู่กับหัวใจของสาวกน่นมันมีพลังมันดิ้นเร้าเๆเอยู่นั่นมันจะห้ำหั่นกันนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หัวใจของศาสนาที่ไหนมันจะฟังที่ไหนดูที่ดูฤทธิ์ัวเดียว แล้วมันจะครองโรคนี้ได้เราเกิดตายเกิดตายเกิดตายด้วยอำนาจของมันอะไรตายตายแล้วเดี๋ยวเกิดหมาอีกเพราะยังอยู่ในเงื้ อ, อ, ม, อ, อรรมมือของมันอํานาจยังอยู่ในกํามือของมันแล้วแต่มันจะบีบไปที่ทุกข์ที่ยากไปที่ลําบากไปที่กัน n d า n ไปที่สูงไปที่ต่ำไปที่ละเอียดประณีตไปที่สุดขมอะไรม บีไปได้หมดพยาะยังมีทางข้าข้อปฏิบัติเท่าทิ้งไม่ได้เท่าทิ้งแล้วเรามันไม่รู้จะไปโก้กับอะไรไม่รู้จะไปอุ่นใจกับอะไรแล้วก็ไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปฉลาดกับอะไรฉลาดทําไมฉลาดเพื่ออะไรถ้าไม่บอกเพิ่มสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นช่วยอะไรเราไม่มี เราไม่มีสิ่งนี้มาเป็นเครื่องช่วยบีบบังคําโอ้ยเดี๋ยวหลบเดี๋ยวโกโรธวิชาริษยาพยาบาทโกโรธเคียดเกลียดตาดําหน้าดําตาดําตาแหงพยาบาทจองเวนโู้นั่นแหละอันนึ่งยังไม่หมดอันนึงทำใหม่แล้วอันนึงยังไม่หมดอันนึงทำใหม่แล้อันหนึ่งยังไม่หมดอันนึงทำใหม่แล้เพราะมันทำงานมาเป็นรุบครื่นเป็นระลอกคลื่นเหมือนคลื่น อยากดูคลื่นผมไปดูที่เอาก้อนหินโยนลงน้าต้มลองดูที่มันจะตีขล้นพับผับผับนู่นถ้าไม่มีฝั่งมันก็หายไปเลยทํากลางผิวน้ำนะถ้ามีนาถ้ามีฝั่งมันก็ไปกระทบฝั่งพับผับผับผับผน่คลื่นหมนมันทางานเปนลอกแล้วลอกแล้วลอกแล้อั่งเรียนกนอะมีอยู่ บอกผมก่อนหน้าแล้วรู้ไป็น้วนะสรอคิดตีดูจะช่วยยังไงกูเท่าอย่างนี้แหละ เอาไม่มาท่านตันนวคุเป็นภาวะอย่างนี้ต้องจำยอมเท่านั้นหนละแล้วมันต่างกันที่ไหนภาวะที่มันเป็นมันมมันเป็นระหว่างเราเราท่านๆมันจะมีอะไรแตกต่างกันไม่มี ใจอย่างนี้เรารู้ม่วจะมาติบมาดีมาเด่นมาดังมาทิฐิมานะเอาอะไรให้มันโง่ซ้อนๆๆๆๆเอาสิ่งเหล่านั้นชนะไหมอยู่ในเงื่อมือไหมปวดได้เบ่งได้เท้าเสิ่งนั้นอยู่ในเงื่อมมือปวดได้เบ่งได้เก่งได้ ไม่ได้เอาอะไรมาเก่งเอาอะไรมาดีมาดีหยุดให้ได้ป่วยทุกอย่าลงลาบากกันดารมโหโธโสคนแกเจ็บตายพอๆกันเก่งจริงก็ไปพ้นสิคนแก่พ้นเจ็บพ้นตายสิเราก็ดูๆพิจารณาดามันไปข้างในปวดดีบวด ด, ว ด, ดีนั่งหนา มันอยู่ในใจใจของใครเหมือนกันเลยผู้มันมีอยู่ในหน้าของมั น, มนอมแปรยอยู่นั่นแหะไม่ต้องไม่ต้องมารำพึงรำพันดอกททำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเรา มันเป็นอยู่แล้วเลยไม่ว่าเราไม่ว่าทนเป็นอยู่แล้วไม่ต้องมาทำปรุงทำพันลยมคนทำปฏิบัติเพื่อความกอดโกรงโล่งโถมมีอยู่ทำไมไม่ให้ความสนใจให้ความสนใจน้อยเกินไปนับโชคดี แต่มุษย์มดตมาประมานิ่งนอนใจรู้จะเอาอะไรยุ่ซื่อๆนู่นหละหายใจฟอดๆไปวันๆอยู่ซื่อๆผมไม่อย่างผมได้อย่างทิ้งทำไมไม่ลาเวลาดีๆทิ้งทำไมจะเอาตอนไหนจะไปคอยเอาตอนไหนไล า, ลาเล เาเขาไม่จับกรอกน้ำตองแดงเอ่ยหอบหลาบทิมแทงเอ่ยคอยตอนนั้นในตอนที่มารมาันเราลองสำรวมเพื่อเห็นโทษเห็นไัสิ่งเหล่านั้นแล้ว หมดเมมรมมเมมรมดาหมดธรรมดาใจไม่ได้อะไรวันนี้หมอเขามาแรงมาแรงงานเนี่ยมย่าเช้าเลยเาล้เาไปเอาของอะไรไปแกะนน้ำท่วมที่ในยอยู่ไปลงสี่แห่งห้าแห่ง น, นะของที่เราไปที่วัดเราก็รวบรวมแป๊บเดียว ส13ข้อสอบ13สอาเราที่เราไ้ไปรวมที่โรงพาบก็ออกไปช่วยนวที่นายงกสาร13เงินลกี่สี่กํลังนปลาสี่กาลัง ม า, มาสิบสองหีใหืใหญ่ๆมาสาบสองหยืใหญ่ๆน้ำขวดน้ำขวดขวดเล็กเนี่ยพ0นสองยขวดที่เราไปขนรวมไปเวังเมื่อเช้านี้ก็เก า, าไปแล้วต่้แปดโมงออกเจกดไปลงไว้ห้าแห่ง มีบ้านไรบ้างบ้านไรบ้างจำไม่ได้จำได้แต่บ้านนาคำน้อยเราไปลงบัานนาคำน้อยด้วยก็อยู่ในเขตเดียวกันตรงนั้นได้ไปเต็มรถหกร้อแหละขอเขารวบรวมมูลนธิจารย์กำแพงรวบรวมโรงพยบาลก็รวบกันไป เออปัจจัยปัจจัยหมื่นห้าพันปัจจัยห 5,000 ตอนนี้เสียเบี้ยวช่วยงานมาถวายมาโทรประวัณนาถวายมาห0 0พเราก็จังว่า ก็จะไปชิมกันแล้วบอกเขาไปเลยมาร่วมกานนี่ก็แ้วกันช่วยน้ำท่วมเาชยน้าทุของเรามื่นหนึ่งของเปี่ยวบอกว่าาเ็หมืนัแล้วรวบรมได้ใจยเยอะเท่าไหร่เขาได้บอกจังหวดเห็นเขาไดเอาของเราบอก ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติมันเป็นเรื่องของมันเราจะทำอะไรมันได้มันฝนตกยังไงมันไม่มีพายุใช่ไหมเกรตดไม่มีพายุใช่ไหยเขาออกข่าวไหมมีพายุไหมฝนตกเทลงเลยใช่ไหม น้ำเทลงเหมือนเอาเทลงจากครุกเนี่ยเทลงก็ไปเทลงเขียดภูเขามาไหลลง ห, วห้วย ห, ยห้วยก็ยาวเลยดัน้ามาท่วมทะลักเต็มไปหมดดึกเที่ยงคืนกว่าแล้วก็วเด็กพัดหายไปเลยไปจมขีตข้ตกอีกรอรเห็นแต่มุนมันพัดหายไปเลยมากลางดึกก็จะนอนหลับฝันไม่ฝันไปเลย โอ้พอพ่อข้าน้ำมือเลยศึกน้ำเมฆน้ําันพัดเข้าไปเลยน้ําไหลแรงก็ไหลเอาพัดเอาขี้ดินน่ะตรงไหนพื้นที่ต่ํามันก็ไปกองจนทั่วหมดเลยข้าวออกไปหมดกระหลี่ยวก็มีพัดออกไปหมดจมทีจมที่ตองที่โคลนหมดไอ้ที่ยังเหลือ อยู่สูงๆไม่ไม่ถูกศูนย์มันเองยังปลอยเหลืออยู่เกี่ยวข้าวเกี่ยวแม่น้ำอยูนั่นแหละทําไมถึ้งข้าวมันเปลี่ยนรือใครจะว่าใครใครจะไปโทษใครว่าเทวดาฟ้าดินลงโทษลงกอไรว่าอะไรไงก็มันเป็นเพรามันมันมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพรมันหรือว่าทําไมเวลามันเป็นมันเป็นตรงไหนมันก็เป็นตรงนั้นแหละมันจะไปรู้่เป็นของใคร จะไปเลือกสังอะไรน้ําท่วมเยอะเกินอายุแรงเยอะเกินลมแรงเยอะเกินน้ําท่วมหนักเยอะเกินพัดขิ้ต้มขโคลนทับท่วมเยอะเกินแล้วก็พิจรารณาปล o n ปล่อยไปตามมันตัวอ๋อมันเป็นอย่างนี้ของมันมนันมีเหตุมีปัจจัยมั เราเอาผู้รู้ของเราไปไปคาดเป็เดาอไปคิดจนหัวแตกไปคาดเดาจนปากหักมันก็คือมันนั่นแหละเพราะเหตุใจของมันมันไม่ได้ไปจากหั ว, ห, วหัวคิดหัวอ่านของมนุแต่มนุษย์จะชอบหัวคิดหัวอ่านไปกับไปเกณฑ์ไปคาดไปดาวไปหมายอย่างงั้นอย่าง น, น, างนี้ไปให้ความคิดสิ่งนั้ น, น สิ่งเหล่านั้นมันอนัตตาจะไปกับกเกณฑ์ได้อย่างไรอนัตตามันไม่ใช่อัตตาแต่ความคิดในใจของเรานี่คือตัวอัตตาแท้ๆที่มีอยู่ในหัวใจเอาตัวอัตตาเนี่ยไปบังคับในสิ่งที่เป็นอนัตตาในในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ขับร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นแสนล้านมันก็ผิดหวังทั้งหมดรู้สึกแบบทุกไม่ใช่เรื่องเดียว่ะเรื่องทุกเรื่องทุกอย่างสารพัดมนุษย์ชอบไปกะไปเกณฑ์ไปคิดไปคาดไปเดาให้มันถูกใจตัวเองดูใหดีพิจารณาเอียดโอ้โง่เลยแหละมนุษย์โง่มาก มันคนละเหเตุคนละปัจจัยไปกัดไปกรีบ ม, มันยิ่งกว่าหินหากยังไปขาาไปเท่าไปไล่ไปต้อนไปคว้าเอาทุกหมดทับถมตัวเองอีมนุง วันนี้พอสุขควรแค่นี้ลหละเห็นไหมเนาะหลับตาเนาะหลับตาย้อนเนาะ ลำไส้เลอาไล่ลกับหมู่แบ่งมูลตัวป้าแค่ไหนก็คิดบอกไหมฮะแค่ไหนคิดบอกวะ น, กนั่น หลับตาโยนนะแม่เลยก็ดีก็ดีก็ดีเสียเบี้ยวแม่เขากําลังไปอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีอยู่ห้องไอซิยูเ เรอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านแม่เบี้ยวแม่เบี้ยวกําลังป่วยหนักพอดีเก็ทาบุญมาเขาเขาเลยมีอะไรดีๆขึ้นมาทําทำมาอีกมื่นหนึ่งมุรีรัมบุรีรเบี้ยวนี่อันนี้ตั้งหาใช่ไหมเมื่อวานตั้งหาก อ, อนเดียวกันเลยอ๋อก็มื่นหนึ่งพอดีสาธุ แม่ไม่สบายปกติเออดีแล้วดีแล้วเราไปช่วยคนทุกคนยากน้ําท่วมะเห็นไปเห็นได้ไปก็อู้น้ำใจอู้น้าใจเป <c oughs> ็เมตตามาช่วยแบ่งเบาเห <c oughs> มือนไม่มีใครไม่ดีใจดอก <c oughs> ทุกยากลําบาก <c oughs> จําเป็นจะตายมีคนยื่นมือไปช่วยมไม่มีใครไม่ดีใจ บโอ้เผเผ็ดกับพริกอีกทิ้งเนี่ย ไปกินข้าฝั่งนะแ่กครับดิแล้วเราจะกลับวันนี้ใช่ไ้มลลกลับพรุ่งนี้ทันหรือกลับไปดูจังหันพระที่นู่นด้วยก็ดีนะเออไปดูละ วันนี้วันที่เหรอ น, นี่วันเสาร์อ๋อวันนี้ไปก็ทันตัวของเต็มตลาดเนี่นะ <c oughs> <c oughs> ไปดูด้วยพระทั้งสองสามสี่องค์อะ่ะสีส่องค์กับลงุลงลงุลงปูน มีเวลาก็ทำเอาถึงคราวทำไม่ได้คิดได้อย่างเดียวไม่มีใครทำไม่มีใครสนองให้เราทำเองสนองเองอะไรเองผลรายได้เข้าพวกเข้าหอเอง เดี๋ยวดูดูอไปถามดูเนะปูดีขึ้นไหมนีออกยังนี้ไปถามดูติดิเนี่ยเอามาเพิ่มดใช่ไหมนะฮะ ตอนเพิ่นพาตัดเนี่เดนี่ยดีเพิ่นพาตัดเป็นปีที่ส0บด้วยเนี่เป็นปีที่ส0มาเนี่ป็นแนะ